ฟังธรรมกันสักหน่อยฟังธรรมรณิตจิตแจ่มใสเราถือว่าเราเป็นนักบวชจ้าไม่ใชเป็นเสื้อผ้านุ่งห่มอะไรก็ตามแต่นักบวชภาษาธรรมะคือเว่นความชั่วทำความดีให้เป็นอไอขีบสักหน่อย อาชีพนักบวชความชั่วมันเกิดขึ้นมาให้เราเว้นอยู่เรื่อยเกิดขึ้นทางกายทางวาจาทางใจให้เราละความชั่วเพรอะไลยทุกโอกาสอันความชั่วมันเกิดทางกายทางวาจาทางใจนี้เป็นความหลง เราก็ละความหลงได้เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้สนุกดีวิชาที่จะละความชั่วทำ ค, ความดีทำจิตให้บริสุทธิ์คือกรรมาฐานกรรมาฐานคือการกระทำให้ความถูกมันเกิดขึ้นบ่อย ให้ความถูกมันเกิดขึ้นก็ไม่ให้ความถูกมันเกิดขึ้นมันก็ควาชั่วก็ไม่ได้ละอะไรเพราะไม่มีเครื่องมือเครื่องมือที่ทําจริงเหล่านี้เกิดขึ้นหรือว่าคน ร, รมเนี่ยมันไม่ใช่วัตถุไม่มีใครเห็นนอกจากตัวเราเอง เหมือนเราสร้างบ้านสร้างเรือนทำไมมันเกิดขึ้นมาอาศัยวัตถุอาศัยทรัพย์เงินทองอาศัยเลีเ้ยงแรงหลายผู้เลยคนร่วมร่วมช่วยกันเหมือนกับหอไต้นี้เราก็ต้องสร้างขึ้นมาตั้งชื่อให้เป็นหอไต่มันก็ใช่ได้แต่ก่อนนี้ลานหินโคง้งมีแต่แบบพงป่ายาค่ะ แล้วก็สร้างป่าขึ้นมาสร้างต้นไม้ขึ้นมาโดยการกระทำปลูตกต้นยางนาต้นตัดเขียนทองต้นพยอมต้นไรเยอะๆขึ้นมายาคาก็หมดไปป่าพงก็หมดไปก็เกิดเป็นป่าขึ้นมาสิ่งแวดล้อมก็ดีไปก็ไม่ได้ไม่ ไม่มีเชื่อให้ไฟไหม้จีเป็นร่อมก็มีเห็ุเกิดขึ้นาได้กินด้วย้อการกระทำของเราชีวิตของเราให้เป็นอาชีพสักอย่างอาชีพธรรมะเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้เราก็มีอาชีพที่ทำกันอยู่แล้ว นักศึกษาก็เป็นอาชีพการศึกษาตื่นขึ้นมาก็ตั้งใจจะไปเรียนหนังสือเรียนหนังสือเลิกเรียนหนังสือตั้งใจจะกลับบ้านทําการบ้านของตนเป็นอาชีพเรียนจนจบจนเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นครูอาจารย์ตำรวจทหารสูงสุดสําเร็จจบหลงังใแล้วกอบอาชีพประมาณได้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 การสร้างความรู้สึกตัวก็อย่าไปคิดว่ามันยากเอาใจคิดว่ามันยากเอาใจคิดว่ามันง่ายเอาคิดใจใจคิดว่าทำไได้เอาใจคิดว่าทำไม่ได้จะเลยไปอย่างนั้นมันไม่ใช่ลองออาการกระทำบุกเบิกไม่ต้องใช้เหตุใจผลนั่นใดไม่เหมือนเราทานาทาไรต้องวางแผนจ้าง ไถรถไถมาไถต้องวางแผนทาซื้อพันอ้อยพันมันจนตกฝนแรงก็ต้องเอาใัยสิ่งอื่นก็ยังทำได้ น, นี้การกระทาการเจริญสติกรรมฐานน่ไม่ต้องเอาใัยอะไรมันมีพร้อมอยู่แล้วกับตัวเรานะตอนที่จะมัดใจได้ในการทำกรรมฐานแน่ ไม่ใช่เราทำคนเดียวมาคิดคนขึ้นมามี <c oughs> บามา่ออ ห, บหลอมกูว่าจา่าจะดาเราพระอรหันสาวกทั้งหลายโอวาจันจนมาถึงพวกเราตัวนี่มันก็อุ่นใจหลวงพ่อเทียนเห็นตัวหลวงพ่อเทียนอยู่ก็สอนเราอยู่เราก็สอนเหมือนกับทาเหมือนหลวงพ่อเทียนบอก หลวงพ่อเถียนก็สอนเราให้เราทําเหมือนท่านนี่ก็มีตัวมีตนเราก็ทําไม่ใช่เราเพื่อฝันอะไรแล้วก็ทําอยู่เวลาเช้าหลวงพ่อ เ, เทียนมาพาทําวัดสวดมนต์เราก็มาหลวงพ่อเทียนก็ทําวัดสวดมนต์จบหลวงพ่อเทียนก็เทศให้เราฟังเราก็ฟังเราก็รู้เรื่อง เพราะหลวงพ่อเทียนพูดเรื่องการกระทำของเราเราสิ่งที่เราทำก็เป็นเรื่องของพ่อเทียนพูดเจ้าอย่างไงพวกเราไปอ้อนวอนที่ตรงไหนกันไปรออะไรการกระทำแบบนี้การรู้จึกตัวแบบนี้การหลงแบบนี้เกิดขึ้นกับเราทุกโอกาสไม่มีการไม่มีเวลา มันจะเกิดความหลงขึ้นมาเมื่อใดมันก็ไม่บอกเราเหมือนไม่เหมือนฝนตกผ้าลอ่องอั่นนัน้นบอกเราแต่ว่าความหลงไม่บอกเราความรู้จึกตัวก็ไม่บอกเราไม่ตะโกนไม่มีเสียงอะไรมันอยู่กับตัวเรามันดังกล้องอยู่กับตัวเราเราก็รู้ขึ้นมาไม่มีการไ ม, ม่เวลาเรยกว่าอากาศหรือการทำ อาการิกษธรรมเน้เป็นของวิทยาศาสต ร, ร์เป็นวิทยาศาสต ร, ร์ยิ่งกว่าวิทยาศาสต ร, ร์อื่นใดเลยไม่ใช่วัตถุอะไรไปพิสูจน์มันหลงหรือเปล่าอะไรไปวัดไม่มีไม่มีเครื่องวัดเป็นปรมาิเป็นสมมุติเป็นปรมาิในตัวเราอยู่แล้วจะเอาอะไรมาต่อรองกับ ตัวเราเล้าเราต้องศึกษาอดูดีๆไปอะไรมาต่อลองไปอะไรมาอ้างเอาความหนุ่มความเจ่เอาความาเพศเอาวัยหรือมาอ้างเอารัที่ในกายเอาจลิตนิจใจมาอ้างไม่ใช่มันอยู่กับเราแท้ๆให้เราดูดีๆมาสร้างตัวลูกขึ้นมา าสร้างตัวลูขึ้นมาแล้วก็มาบอกกันดูมาบอกกันช่วยกันดูขนขวอยื้อของเพื่อนภิกษุสามเณร ญ, ญาติโยมญาติโยมขนขวยช่วยกันนะเอากันจริงๆลองดตั้งเป็นสถานที่เป็นแหล่งเป็นตักกะชิลาในการศึกษาเรื่องนี้ลองดูจริงๆมาพิจารณากันดู อย่าไปอาศัยคนอื่นเอาตัวเองไปพิสูจน์แม่คนพิการเดินมาได้ดกระดูกกระเดกไม่ได้มีแต่หายใจก็ยังทําได้เราได้เดินไปไหนมาไหนอะไรก็ช่วยตัวเองได้ทุกอย่างมันหลงเขช่วยตัวเองมันร้อนก็าช่วยตัวเองมันกินวันท่ายก็ช่วยตัวเองคนพิการเนี่ยก็อาศัยคนอื่นช่วยเขายังเพียรพยายามเช่นอาจารย์กังพลน่ะ มีชื่อเสียงโดงดังหลายประเทศแล้วไปปพร่าต่างประเทศเผยแพร่ไปเป็นการล่อสังคมล่อมนุษย์ได้เป็นอย่างดีเราเนี่ยไปอ้ออ้อแออยู่ทำไมต้องศึกษาต้องตั้งใจปฏิบัตินะเอาอย่างคนดีอย่าเอาอย่างคนชั่ว เอาอย่างความดีในเราดว้วยเอาอย่างความชั่วในเราดว้วยเห็นบันแล้กวก็เบื่อหน่ายความชัว่วความหลงความทุกข์ความเกิด เ, เจ็บเจ็บตายน่าเบือ่อเราจะต้องรอวันนั้นให้ถึงโอกาสจากนั้นนะคอยร่องห่มร้องให้หัวเร้ะดีใจเสียใจเพราะเรื่องด้านหรอเราต้อง ศึกษาเรื่องอย่างนี้มันไม่มากมายอะไรที่เราจะเรียนไม่ได้รู้ไม่ได้มันก็เห็นอยู่แล้วกับตัวเรามันเกิดขึ้นเราเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาความหลงก็เกิดขึ้นเราเห็นความรู้ก็เกิดขึ้นมาให้เราเห็นโ อ, อดมันเรามาความรู้เหมือนคนมีฝีมือ อะไรที่มันสร้างขึ้นมามันเกิดขึ้นมาด้วยมือของเราแม้แต่รถยนต์เครื่องบินเกิดขึ้นมาด้วยฝีมือของเขาด้วยมันสมองของเขายกยาอะไรต่างๆอาหารต่างๆคนขัวออกมาแม้แต่เห็ดเล่นจืดในป่าก็ยังคนคั่วว่าเป็นยาวิเศษสารพัดประโยชน์ต้องซื้อมาจินรักษาโรคได้สารพัดยา เขายังคิดได้อันนี้ตัวหลงตัวรู้เนี่ยไม่มีเครื่องมือพิสูจน์เอาตัวเราสัมผัสดูมันรู้เปยังไงมันหลงเป็นยังไงสัมผัสดูตอดูชิมดูผวมหลงคมรู้มันถูกต้องไหมอะไรมันถูกต้องสัมผัสดูสัมผัสไปสัมผัสมาหลายข้างหลายค่าวมันก็เห็นมันก็เห็น เห็นความหลงเห็นความรู้มันต่างกันแล้วก็เปลี่ยนมันแล้วก็เพราะมันหลงแท้ๆมันจึงรู้เพราะมันทุกข์แท้ๆมันจึงไม่ทุกข์เพราะมันโกรธแทๆ้ๆมันจึงไม่โกรธนี่คือของจริงของจริงไม่มีคําถามมีแต่คําตอบนะจะให้พูดอะไรต่อไปเรา จะให้บอกอะไรถ้าไปบอกกันอย่างนี้นะจะให้หลอกลวงกันนะชอบหลอกเลอเอาใจตัวคำมาเขียนโกเสกอย่างนั้นเลยอาใจอื่นๆเลอไม่พึ่งตัวเองอเลยแล้วต้องพึ่งตัวเองแล้วตัวเองมันก็พึ่งตัวเองไม่ได้ทาให้เราล่มเหลวคนล่มเหลวเพราะตัวเอง สิ่งที่มันชั่วร้ายทาให้เราล้มเหลวเราก็ายังยอมทําตามมันเป็นขี้เล่าขี้ยาโลภโกดหลงเบียดเบียนตัวยองบียดเบียนคนอื่นยังก็ต้องตั้งตัวบทกฎหมายสร้างคุกทั้งตารางเง้นมาตั้งสอสไปร่างรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆมากมายเรื่องมันไใหญ่ขนาด น, นั้นนันอยู่กับเรา จึงมาเอากันยังเกลาร์โดลำดับลำนําติดตามมันเมื่อเราท่องหลังสือติดตามมันทุกวันทุกวันมันก็ติดได้บางคนต้องปฏิโมกไม่ถึงเดือนมันก็จบได้บางคนท่องทำมาจากไม่ถึงเจ็ดวันก็จบได้ถ้าลำนําลยดี ถ้าไม่ท่องก็หาว่าตัวเองหัวไปดีเพราะเราไม่ทำไม่ใส่ใจถ้าลำดับํานาทุกวันดูมันก็ติดได้ทุกคนเหมือนกันหัวดีไม่สำคัญแต่ขยันน่ากลัวที่สุดคนขยันเน่ะเป็นคนที่สำคัญกว่าคนหัวดีคนทำามมีการกระทำาน่ยความขยันเนี่ยมันจำแนกไปอะอย่าไปอ้างว่าหัวไปดี ไม่มีหวัวคิดปัญญา <c oughs> เป็นกูปึกโป่งหนาอย่าไปเอาวันนั่นมาอ้างเอาการการทำเอาความพยันของเราลู่บ่อยๆลู่บ่อยๆวัตถุที่ลู่ก็มีอยู่กับเราแล้วสร้างกันมารูปแบบก็มีแล้วเอาจากเราเนี้ยแหละเนินเจ้ากรอสร้างจังหวะหายใจเข้าหายใจออกมันมีวัตถุอุปกรณ์ออกมาสร้างความรู้วัตถุอุปกรณ์ที่มาเกิดความหลงก็มีอยู่ด้วยกัน่ะ ลวงพ่อเทียนบอกว่าเอาจิตดูจิตเอาจิตไมก็ดูจิตนั่นแหละอะไรที่มันเกิดขึ้นกับจิตเอาจิตนั่นแหละดูมันรู้วิญญาณธาตุรู้อยู่กับจิตแล้วก็รู้อยู่ในตัวมันไม่ได้ไปหาวัาตถุอะไรหนึ่งสองไม่เปนในตัวมันเองมันหลมก็รู้อยู่ในนั้นมันทุกข์มันก็ไปทุกอยู่ในนั้น มันเกิดมันก็ไม่เกิดอยู่ในนั้นมันเจ็บมันก็ไม่เจ็อยู่ในนั้นมันเจ็บมันก็ไม่เจ็บอยู่ในนั้นมันตายมันก็ไม่ตายอยู่ในนั้นเนี่ยมันก็ขนาดนี้เหรอไปอ้อนวอนนบมือขอไหว้ขอกราบอะไรต่างๆพอหยุดแล้วพวกเราเรื่องอย่างนี้มันมันล่าสมัยไปเรื่อยไปเรื่อยต้องเกิดจากการกระทําของเรา เราจึงต้องมาปฏิบัติปฏิบัติคือมาทากรรมฐา น, นอาชีพให้ขยันรู้การขยันรู้เป็นภาวนากรรมฐานภาวนาภาวนาใหม่สิลงใม่ฐานใหม่ภาวนาไม่ น, มนสูงสุดเป็นบุญที่เกิดขึ้นจากภาวนาเนีสูงสุด สูงกวทานสูงกว่าศีลศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยภาวนาคือเอาทั้งหมดเลยทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจให้มันเรียบร้อยให้มันดีภาวนาขยันรู้บ่รลุก็เรียบร้อยหมดทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเพราะตัวรู้มันเป็นตัวปรมาตัวหลงไม่เป็นสมมุติสมมติมันตั้งอยู่นานไม่ได้ ความรูมันเป็นของจริงนี่เราจึงภาวนากันภาวนาไม่ใช่บริกรรมพุทโธพุทโธสมาหังยกหลงมองหงอไม่ต้องว่าเอาตัวลูกเข้าไปเลยอะไรที่มันเกิดจากความรู้ไม่บา้าอะไรม่นเกิดจากความหลงไม่มากเห็นมันหมดเห็นมันครบวันทวนแกมแจ้งเอาไปเลยให้มันเห็นต่อหน้าต่อตา เอาผลประโยชน์จากมันความหลงมันทําให้ ร, รู้ความทุกข์มันทําให้เรารู้ความโกรธมันทําให้เรารู้เอาประโยชน์จากมันเรียกว่าหนามยอกอับหนาบ่งตัวมันใช่มันเห็นชาวนาทํานาขายข้าวเอาเงินมาทํานาได้ได้ส่วนเหลือเนื้อมันในมัน ชีวิตเราก็หมือกันถ้าฉลาดก็ใช่การมรุษทําในตัวมันเพรมีความเกิดแล้ก็ไม่มีความเกิดเพรมีความแก่ก็ไ ม, ม่มีความแก่มีความตายก็ไม่มีความตายเรื่องอย่างนี้คนโบราณเช่นพระพุทธเจ้าได้ได้พิสูจน์ได้รับผิดชอบเรื่องนี้แล้วก็ พบเห็นมาแล้วได้มาบอกได้มาสอนพวกเราชีวิตของเรามันก็ไปเสด็จกว่าจัดทั้งหลายมันฝึกได้เหนือการเกิดแจ็เจ็บตายอย่าช่วยกันหลายคนให้ความรู้เกิดขึ้นลหลายๆคนอย่าให้มีคนเดียวมันจึงจะอยู่ได้ในโลกนี้แต่ความรู้เกิดขึ้นเพียงคนเดียวมันก็อยู่ลําบาก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 มีอะไรจึงเป็นพิษเป็นแผลต่อคนอื่นไม่พอคนอื่นเขายังสศกอยู่เราก็เดือดร้อนเกิด mm hmm. เป็นปัญหาจึงมาช่วยกันมาช่วยกันมาบอกกันมาชวนกันจับแขนจะมืบบอดุงดึงกันไปใครลา่าใครเหนื่อยก็รอคอยกันอย่าทอดจะทิ้งเอาไม่แต่ทั้งเน้นน้อยมาให้มานอนฟังก็ได่น่ารักดี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 รงกรัลปนาวุธดาวเปี่ยขาขึ้นในใจของเราเอาให้มันขึ้นมาเกิดขึ้นมาอย่าให้มีความโลภความโกรธความหลงอพรนั้นเราทิ่งไปเหมืนด้วยการกระทําของเราเหมือนต้นนี่ค้อยู่ลงอาทานมันเกิดขึ้นมาด้วยฝีมือหลวงพ่อเพราะการกระทํามันก็เป็นต้นไม้ขึ้นมาแต่ที่เป็นต้นไม้ขึ้นมาเฉยเอา้าว ออกลูกออกดอกออกผลกับลอกกับแต่นกก็ได้บากินให้มีเหลี่ยมไว้ตัวเองบ้างคนเรานะ่ะอย่าไม่ทำอะไรเลยถ้าไปทำอะไรก็ทำตัวเองให้เป็นคนดีอย่าเบียดเบียนตนอย่าบีบเนนบียนคนอื่นอย่าทำตัวให้เป็นทุกข์มันก็ดีแล้วเราจึงมาให้มีเหลี่ยมไว้ตัวเองบ้าง เลิกซบุรีไายก็ไหวตัวเองได้เลิกหลงลายก็ยิ่งดีประเสริฐเลิกทุกได้ก็ประเสริฐเป็นจัดประเสริฐได้เป็นพระด้วยชีวิตประเสริฐได้เลยไม่มีอะไรที่จะยินเหลงแกงไกตัวเองไม่ใช่เป็นชีวิตบักผมปกปิดซ่อนเล่นเหมือนบอกที่ทิ้งขยะบนผอยเน่าในเปียกแขะอย่าให้มี ให้บริสุทธิ์โปดผ่องหอมบริสุทธิ์โปดผ่องนะมันดีดีนะถึงเขาไหนมันก็ดีแล้วไม่มีอะไรที่จะจินแหนงแข่งใจตัวเองเพราะเราทำดีมานานหนึ่งวันแล้วมีความรู้หอมไม่ทำบาปทํากรรมอะไรสองวันก็รู้อยู่ดูแลตัวเองอยู่สวันก็รู้อยู่ดูแลตัวเองดู่สี่วันห้าวั น, หก ว, นหกวันรู้อยู่ มันก็ค่อยสะอาดไปค่อยสะอาดไปไม่มีอะไรกรรมก็ไม่มีกรรมใหม่ล้างบาปออกไปเพราะตัวรู้เป็นสิ่งที่ล้างชำระออกไปไม่ใช่น้ําล้างความบาปล้างอากุศลคือความรู้จักตัวเหมือนกับน้ําทิพย์ล้างบาปล้างอากุศลนออกจากกายจากใจเรา เพราะรู้สึกตัวก็ทำความดีรู้สึกตัวก็ลบความชั่วรู้สึกตัวก็จิตเ็าบริสุทธิ์ไปบริสุทธิ์ไป <c oughs> นี่มันเป็นอย่างนี้สองข้อขยัน ข, ขยันเรื่องนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็หมดความขยันบ้างแล้วออบางทีก็ไม่ไม่สะดวกบางครั้งก็ไม่มีเสียง ว่เป็นเดนของโลกลารมันเอาจนถายไปล้วก็เป็นเดนไปล้นก็เหลืออยู่พลังที่จะมาอะเอากันจริงๆแล้วก็หมดไปแต่การใช้พวกเรามาช่วยกันพิษุณีธรรมากีตาก็มาช่วยกันนะอยากได้ผู้หญิงอยากได้พิษณุณีเป็นพลังในการเผยแพร่ พราะผู้หญิงเนี่ยดูสิ่นั่งอยู่เนี่ใครมากกว่ากันมีแต่ผู้หญิงมากกว่าใครบ่าตอนเช้าใครใส่ให้เรามาจังหวันมาเพนใครบามีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นมาช่วยกันอมาช่วยกันมาร่วมกันสร้างหลวงพ่อก็อพอมีปัญญาที่จะสร้างภิกษณุณีแม่เด็พระราชบัญญัติคณะสงฆ์สมัยตะ ว, วันนี้ไม่ ไม่เปิดโอกาสเราก็สร้างเงินมาเองสร้างเงินมาให้มันดีขึ้นมาอันเป็นประโยชน์ให้เกิดจัทาแจกผู้คนให้เกิดคุณภาพขึ้นมาในหมู่คนทั้งหลาย <c oughs> เดี๋ยวนี้คนเราไม่ค่อยมีหลักเท่าไหร่เ <c oughs> ชื่อไปแต่พื่อตพือไปถ้าหมกกันจริงจอย่างนี้ลนะ้ ปฏิเสธการบอกการสอนแบบหลวงพ่อพูดเนี่ยก็เหมือนกับไปฏิเสธตัวเองจะปล่อยให้เราหลงเหรอจะปล่อยให้เราทุกข์หรือมันเปลี่ยนความหลงได้อยู่ทําไมไม่เปลี่ยนจะปล่อยตัวเองโกรธหรือมันเปลี่ยนความโกรธได้อยู่ทําไมไม่เปลี่ยนมันไม่เชื่อเหรือถ้าไม่เชื่อสิ่งคําสอนพระเจ้าก็ไม่เชื่อตัวเองหรืถ้าคนไม่เชื่อตัวเองเราจะอาศัยอะไรเราไม่มั่นใจางตัวเองเรา ต้องมั่นใจทำอะไรต้องมั่นใจว่าจะทำอย่างนี้เนี่ยมันก็มั่นใจมันจึงทำได้สําเร็จถ้าไปทำกองชั่วมันก็ไม่มั่นใจทำแล้วก็เศร้าหมองอยู่ใครว่าคนทำชั่วจะสนุกสนานไม่มีทำบาปแบงก็ยอมเศร้าหมองเองไม่ทำบาปแบงก็หมดจดเองความเศร้าหมองควาหมดจดเป็นของเฉพาะตน คนเดินจะยังต้องเดินให้เสาหมองหมดจุดถามไม่ได้ัานาว่ายังดังว่าบางอัตนาวาสุติยาสุติอจุติปัจจดังอัญโยอันอย่างวิโสทะเยคาถาพระสูจน์กล่าว่าอย่างนี้เพราะนั้นเราจึงมีการกระทําให้เกิดขึ้นมาแล้วก็ทําได้ด้วยเราก็อบอุ่นอยู่ที่นี่นั่งอยู่นี่ก็คือพระสงฆ์มีตัวมีตนมี ไม่ใช่โง่ๆตลอดอยู่ี่ก็มีแต่ปัญญาสามารถที่จะเชื่อมัน่นลงในกันได้เน้นก็มีหน้ายมก็มีที่อยู่อาศัยก็มีข้าวปลาอาหารก็มีพอที่เพิ่งป่าอาศัยกันได้จะเอาที่ไหนประเทศใดหาในโลกที่ไหนถ้าไม่ใช่ในตัวเราในเวลานี้ในโอกาสเนี้เราจ้องให้ดูดีๆอย่า ใครมันเสียเวลาบ้า ก, กันไปมาอยู่ปฏิบัติตรมห่วงโน่ น, น, น่นี่เป็นบริโภพูมันก็ไม่ค่อยดีอเอาเลยไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าใครจะพิเศษกว่ากันมันก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละเราเป็นคนเหมือนกันมีความรักความจังมีความชอบไม่ชอบมีพอ่อมีแม่มีลูกมีหลานมีบ้านมีช่องเหมือนกันหมด ไม่เคยจรจัดเกิดมาจากโภไหมเหมือนหนอนเหมือนอะไรอันหนอนก็ยังมีเชื่ออยู่อันคนเราแท้ๆี่ยพราะแม่เลี้ยงมาคนช่วยเรามามีพ่อมีแม่ <c oughs> เลี้ยงดูเรามาตนุถลำเราก็มีเป็นอย่างนี้ก็ต้องจะทํา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 จะไม่มีโอกาสที่จะให้มันเป็นนายอย่างนี้ไม่ได้เลยให้ความโกรธความหลงเป็นนายเราเราเป็นทาสของความโกรธความโลภความหลงความรักความยังความทุกข์อนี้มันก็โอ้ยเสียชาติแล้วคนเราเพาะนั่นจึงช่วยกันมาตั้งใจออกจากนี้ก็เอาไปมาอยู่กับเราอยู่ในกระเป๋ากางเกงกระเอาเสื้อของเราความหลงความลู้อยู่ที่นั่น มีเครื่องไม้เครื่องมือทำความดีแต่พื้นแต่เปลือยไปมีเครื่องไม้ควมดีเครื่องมือละความชั่วแต่พื้นแต่เปลือยไปใจเยินไหม <c oughs> เฮ้ยเมต่งมองหนูห้อนอนอพูดให้ฟังเนาะเอ่อดีขอบอกขอบใจที่พากันมานั่งมาปฏิบัติมาอยู่ที่นี่ไม่หลังเกียรเลยชื่นใจดีใจ ผู้เที่ยงไม่มาขอให้มาใครก็ตามผู้เที่ยงไม่มานั่นไม่ใช่คนชั่วเลวทรามก็คิดอยากให้มาเหมือนกันผู้ดีมาแล้วก็อยู่เป็นสุขเป็นสุขอย่าทะเลาะวิวาทกันให้เป็นงานอันเดียวกันต่างคนต่างรักความชั่วต่างคนต่างทางความดีน่ารักน่ารักที่สุดเลยเห็นุกมือช่างใจว่าเห็นเดินจงกรมโอ้ยเขากาลังรักความชั่ว เขาช่วยตัวเองอยู่เป็นบุญแล้วมีอะไรช่วยกันก็ช่วยกันคนอย่างนั้นเขากำลังละความชัว่วเขาลังทำความดีถ้าช่วยคนที่ละความชัว่วต้ความดีเป็นบุญไม่ใช่ไปใช่โจรผู้ร้ายนะนี่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ให้ให้ทานแจ่พระพุทธเจ้าให้ทานแจกพระสาวกให้ทานแจกปุถุชนให้ทานแจ่พระอรหันต์ให้ทานแจสัต อะไรมันจะได้บุญมากกว่ากันไอ้ท่านแจโจนจนก็ไปพ่นป่าชีเขาอ้ท่านแจกผู้ชนเขาไมยบอกไม่สอนเราไม่ช่วยเราไอ้ท่านแจกพระสงฆ์เป็นหน้าเนือ้อนาบุญพระเจ้าเราพระสวกถ้าก็บอกเราท่านกอสอนเรามาวัดมาว่ามากราบพระกราบไม่ถูกพระท่านสอนท่านสอนในยกมือจ้างใว่ปะ กราบยังไงว่ายังไงท่านก็สอนเดินยังไงอย่ามารยาทยังไงให้เป็นแหล่งการศึกษาวัดวาลามช่วยกันอย่ามั่วไปใครคนใด ค, คนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบมาช่วยกันเห็นพระสงฆ์ห่มผ้าให้เด่นน้อยน่ารักน่ารั ก, รกเดินไปกับเด่นน้อยรูปหัวรูปไห่น่ารักมากอย่าทอดอย่ทิ่งกันชวนกันไปอมองกันนี่ดี เห็นคนหลงเห็นคนโกรธก็น่าสงสารอย่าไปเกลียดเขาแห็นคนทำดีก็จำสนนเห็นคนโกงก็ชี้ช่วยเขาเห็นมีผู้ชั่วก็ชี้ช่วยเขามาอาจารย์เชนอาจารย์เชนเนี่ยเฮ้โกอินค่ขอพ่อจำมาอ่ามีลูกศิษย์ลูกหาหลายคนมาอยู่แต่ลูกศิษย์คนหนึ่งลักขโมยแจง กระจับได้นํามาฟ้องอาจารย์สองครั้งสองครั้งสามครั้งอาจารย์ก็บอกว่าเราจะสอนเขาข้อพยานสอนอยู่ก็ยังรักอยู่พวกรู้จิตตั้งหลายก็เกลียดจะให้ไล่หนีเอามันหนีซะมันเดือดร้อนอาจารย์เชนก็บอกว่า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 จะดีมากเลยให้ลองตากพวกได้ฟังก็สมกวร เ, เวลาสำหรับวันนี้ไหว้พระพร้อมกัน